ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวิาชาเรื่องเตรียมอรหันต์โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ได้แสดงไว้เมื่อวันที่16กุมภาพัน ธ, ธ์พุทธศักราช2536ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัด น, นี้ค่ะ สิ่งแวดล้อมที่ดีที่อาตมาขึ้นต้นที่จะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราได้สร้างขึ้นมาเสมอตั้งแต่เริ่มต้นที่ไหนๆเราก็สแสวงหาที่อยู่เป็นปฏิรูปประเทศวาสเป็นเสนาสนะอันดีเป็นเสนาส น, น, น, น, นะอันเจริญเราจะแปลคำว่าสปายแต่แค่ว่าสบายมันไม่พอหรอกสบายทุกวันนี้ภาษามันเสียแล้วภาษาไทยสบายแปลว่าบ ำ, บำเบกกิเลส ระวังพวกเราอ่ะจะบำเบอกิเลสปล่อยประลานเลยเป็นยถาสุขขังเป็นการตั้งตนอยู่ใช่ทุกขายะอัตตานังมันเป็นยถาสุขขังเป็นการปล่อยตัวตามสบายยถาสุขขังเพราะพวกเราถ้าเผื่อว่าไม่มีสติไม่มีสติสัพพัญญะไม่มีธรรมวิจัยไม่มีวิริยะภาคเพียนอัตมาให้สัมมาทิฏฐิ พยายามให้ความรู้พยายามให้ความหมายพยายามให้ความเข้าใจให้พวกเราได้เข้าใจว่าทิศทางที่ควรปฏิบัตินั้นคืออะไรทิศทางที่ควรปฏิบัติคาว่าสตินี้จะต้องมีคาว่าสำนึกอยู่ด้วยระลึกหรือสำนึกเราจะต้องระลึกเราจะต้องสานึกอยู่เสมอบ่อยๆระลึกอะไรระลึกรู้ว่าบัดนี้เรากาลังอยู่ใน กิริยาอะไรเรากำลังอยู่ในกิริยากายวาจาใจที่มันเป็นกิริยาทั้งนั้นน่ะกิริยาเหล่านั้นเราได้ตรวจตราเราได้ธรรมวิจัยเราได้สังวรเราได้เราได้สังว ร, เ ร, เ, ร, งวรเราได้พยายามที่จะให้เกิดจักสี คือมีสติปทาน4มีสมปทาน4จาก4ตัว น, นี้นะฟังดีๆนะจาก4ตัว น, นี้สติปทานสี่สมปทาน4อิทธิบาท4เรามีหรือไม่และก็เกี่ยวกับจัก4ีนี้ด้วยจัก4ีที่ว่ามีปฏิรูปรเทสวาสะมีสปัปปริสสภาสัสพปริสสาย ส, ส, สายยะอ่า ล้วก็มีการตั้งตนไว้ชอบอัตตสมมาปนิธิขณะ น, นี้ตนเราที่ตั้งอยู่เนี่ยมันเป็นยถาสุขขังหรือว่ามันตั้งตนอัตตสมมาปนิธิหรื อ, ร อ, รอทุกขทุกขายะอัตตาเนี่ยอัตตาอัตตานังปัานมันก็นัยะคลายกันอัตตสมมาปนิธิก็คือตั้งตน ไว้ให้มันดีให้มันเจริญให้มันถูกให้เป็นสัมมาให้มันควรให้มันชอบให้มันดําเนินไปดีตั้งตนทุกข์คะอัตตาหนังปัตถทิติก็แปลว่าตั้งตนปัตถะทิติการตั้งตนอัตตาอัทุกข์คะอัตตาหนังปังตถะทติอัตตาก็อัตตาเดียวกันนะตนการทําตนหรือตั้งตนหรือพยายามที่จะทําให้ตนเนี่ยตั้งขึ้นอย่างลงอย่างลงให้มันตั้งขึ้นจะเรียวกว่าอย่างลงก็คือการ พยายามกระทาเสียงเหล่านี้เลยย่งลงไปให้มันเกิดขึ้นมาจะย่างลงหรือตั้งขึ้นก็ภาษามัน ป, ล ป, ลปลนๆอย่นีย่างลงหรือตั้งขึ้นให้มันย่างลงให้มันเกิดขึ้นมาให้ดีให้ชอบสัมมาปณิธิหรือทุกขยะอัตตาห น, นังปทฏฐติปัฏฐะหติเ น, น, นี่แปลว่าตั้งตั้งเฉยแต่สัมมาปณิธิปณิทิหรือปัฏฐะหติเนี่ยอันเดียวกันคือการ ตั้งขึ้นมาให้ได้หรื อ, อยั่งลงให้ได้ตั้งขึ้นมาให้ได้หรื อ, อยั่งลงให้ได้นะอะไรตั้งขึ้นอะไรยั่งลงธรรมะสภาวะธรรมการประพฤติปฏิบัติให้เกิดมากเกิดผลมากผลตั้งขึ้นหรื อ, อยั่งลงก็คือมันสะสมลงไปสะสมลงไปเข้าถึงเข้าถึงให้ดําเนินไปให้ได้ โดยทุกขายะโดยการตั้งตนอยู่บนความลำบากโดยโดยลำบากทุกขายะโดยลำบากคำนี้ไม่ได้หมายความว่าเราซาดิสเราวิ่งเข้าไปหาความทุกข์ไม่ใช่ต้องฝืนต้องทนต้องลำบากอยู่ในขีดของความต้องพยายามอุสาหามีความไม่ใช่ปล่อยปละละเลยปล่อยตามสบายยะถาสุขังไม่ใช่ยถาสุขขัง ฟังดีนี่อาตมาขยายความโดยเอาหลายสูตรเอาหลายบทมาแล้วมันเกี่ยวพันกันมันสังเคราะห์กันแล้วมันก็สัมพันธ์กันสังเคราะห์กันในกันแล้วก็สัมพันธ์กันถ้าฟังภาษาที่อาตมาขยายความแล้วเราก็ต้องทําให้มันสอดคล้องทําให้มันเป็นจริง <c oughs> ตอนนี้เรายิ่งได้ฟังธรรมะด้วยและอ ย, อยู่ในสถานที่ที่เป็นอย่างนี้แหละเสนาสนัสปายะ เสนาสส ป, สสปายานออีในพุทธสถานนี้ก็มีกิจวัตรมีกิจกรรมนะเราฟังธรรมเชา้าทำวัดเชา้าเป็นกิจวัตรไม่ได้ซื้อไม่ได้หามีการฟังธรรมเพราะงั้นใครจะสแสวงหาหรือใครจะกระทําให้มันด้วยความพยายามมีวิริยะสัมโพธิชงหรือมีอิทธิบาทยินดีพอได้ยินเสียงะระฆัง ทรรว่าเช้าแล้วก็ฉันทะยินดีโออีกเช้าหนึ่งแล้วนอเราได้เวลาแล้วเราจะได้ภากเพียรเราจะได้ตื่นมาฟังธรรมเราจะตื่นมาทํากิจนี้ซึ่งเป็นกิจจวัดที่เราบําเพ็ญอ่าอย่างน้อยก็ละความขี้เกียจละความติดชนิดหนึ่งอ่าพอได้ยินละครังแล้วก็โอ้ยนอนต่อดีกว่าเว้ยมัน สบายดีมันชอบอ่ะมันเป็นพบอะ่ะต้องตั้งติดพักผ่อนก็พอแล้วนะพักผ่อนก็พอแล้วไม่มีเหตุไม่มีกิจอะไรหรอกไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องพอที่จะมาฟังทำหรือมาทํากิจอันนี้อย่างน้อยพยายามมาทํากิจจวัดก็ได้เป็นแบบอย่างนะเป็นรูปแบบอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างดีจริงก็คือเราได้ขัดเกลาจิตใจเราที่ติดพบ ติดยึดสภาพนั้นน่ะเราชอบนอนมันก็เออมันดีอร่อยดีชอบใจดีสบายดีก็บําเรอให้มันเท่านั้นเองอ่ะนะการนอนพอก็พอแล้วพักผ่อนพอก็พ อ, พ อ, พ อ, พ อ, พอแล้วแต่เราก็จะต่อนอนต่อมันก็ดีนอนก็อร่อยดีนอนไปนอนมาสบายดีจนก็อยากจะตื่นนะหรือไม่อยากจะตื่นถึงวาระที่ต้องตื่นแล้วในตะวันแยงก้นแล้วอ่ะ เพื่อนฟงได้ว่าเอาอะก็ต้องตื่นนะเราก็ต้องตื่นแต่ทั้งนี้ตื่นก็ดีแต่เราไม่ตื่นเองซึ่งเรานี่เป็นตัวเราทั้งนั้นแหะที่เราจะค้นขว้าเราจะมีจิตมีอิทธิบาทหรือไม่มีความยินดีมีปัญญาเข้าใจอาตมาว่าเข้าใจนะอาตมาว่าพวกเรานี่เข้าใจแต่ว่าจะวิริยะได้ไหมจะมีอิทธิบาทไหม จิตจนกระทั่งจะเกิดจิตยินดีเพราะปัญญาไม่ใช่ยินดีเพราะงงเ ง, ง, งาเง า, งาไม่ใช่ยินดีเพราะว่าอะไรแล้วแต่แม่เราจะฝืนแม่เราจะขัดกล้าวใจเราขัดกิเลสเราไม่ตามใจมันมันก็เป็นการฝึกปรื้มันก็เป็นการบำเพ็ญเป็นการปฏิบัตินะที่อาตมาพูดนี่ดูเหมือนมันไม่ยากเลย คิดว่าพวกเราก็คงพอเข้าใจด้วยที่อาตมาบรรยายอยู่เนี่ยหยับจับมาวิเคราะห์วิจัยให้ฟังเข้าใจอยู่ด้วยแต่เราะระลึกไหมเราสํานึกไหมเรามีสติปัญฐานไหมเราได้อ่านลงไปที่องค์ประชุมต่างๆเนี่ยแล้วก็มีตั้งๆ่างทิศนาสนนีิมีบุคคลสปาย ะ, ะมีอาหารนี่เป็นธรรมอาหารนะ <c oughs> มาฟังธรรมนี่เป็นอาหาร เป็นอาหารทิพย์เราได้ฟังธรรมธรรมวสวรรณมัยเป็นบุญเป็นอาหารเป็นธรรมะสปายะเป็นที่จเจริญด้วยธรรมะเป็นปริยัติก็ตาม <c oughs> ในปริยัตินี้มาฟังธรรมนี่เป็นมาฟังปริยัติละแต่ก็มีภาคปฏิบัติอยู่ในการลุกมาฟังธรรมแม้ธรรมวัดเท่าเนี้ มันก็ได้ปฏิบัติมันก็ได้ขัดเกล่ามันก็ได้หัดอย่างลงหรือตั้งลงอย่างชอบอย่างถูกอย่างควรเป็นอัตตะสมาปณิธิผู้ใดมีบุญเก่าบุเพกตาบุญชตามีบุญเก่ า, กาได้สั่งสมได้บำเพ็ญจนเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นกำลังที่แข็งแรงมีอิทธิบาทนี่แหละแข็งแรง จนกระทั่งเกิดคุณค่ามีศรัทธาวิริยะก็มีกําลังของวิริยะสติก็รู้ตัวดีสํานึกดีและก็เข้าใจองค์ประกอบเข้าใจกายะเข้าใจเวทนาเข้าใจความรู้สึกของตนเองดีเลยว่าโอ้หนิสุเขาเราติดสนะุนี่ติดสุเขเวทนาสุขเวทนาที่บ้อเรอตัวเองอย่างเงี้ยแค่เนี้แค่จะเอาแค่แค่ขี้เกียจหน่าเอาเธอนอนเธอะ นัทอาตมาพูดเนี่ยเขรึกถึงหนังไอตัวขี้เกียจไอตัวที่บอกอย่าเลยอะไรนะที่ก็พูดไอตัวหุ่นไอตัวหนังไอสามตัวขี้เกียจเนี่ยไอตัวอะไรไอเจ้าเจ้าชุยเจ้าเซงเจ้าเจ้าพลัดโอ้สามตัวนี้ขื้นยุ่มยามเลยเจ้าชุยเจ้าเซงเจ้าพลัดจริงหรือเปล่าพูดไปแล้วนี่ยรึกถึงไหม ทบทวนบุเพทิปวาสานุสติะระลึกย้อนสภาพจริงที่เราเกิดทบทวนเห็นไหมจุตูปปตาตะเห็นความเกิดกิเลสมันเกิดเคยเกิดบา้างเปล่าบุเพระลึกได้บาตแต่ละคนอาตมาว่ายังมีหมดนะนมะมังเนี่ยนางๆยังไม่หมดนะนะมันยังมีอาการพวกนี้อยู่นะ่ะผีพวกนี้ไอเ้เจ้าโจตูเจ้าชุยเจ้าเซงเจ้าผัดมันผัดมันง่าไม่เป็นไรละ่ะ อ่างโนนอ่างนี่เราปวดนิดนั่นปวดนั่นหน่อยอพักผ่อนให้มันหน่อยอเรานอนไม่พอมอคืนนี้แหมมันนอนช้าไปหนาทีต้องกอบกู้ทุนคืนนะ่ะเราควรจะนอนเท่านั้นนาทีตัวนี้ชั่วโมงแหมมะคืนนี้นอนน้อยไปกว่าปกติ5้นาทีต้องรีบไปนอนต้องรีบต่อไม่ได้เดี๋ยวสุขภาพจะเสียอะไรก็แล้วแต่หาเรื่องแก่ตัวให้จันไรไปเสมอ แก่ตัวให้กับตัวเองเข้าคางกิเลสนะพูดอย่างนี้อัตบาย อ, อัตมาอธิบายอย่างนี้เหมือนเด็กๆนะเหมือนบอกกับเด็กๆที่จริงก็แก่แก่กว่าแรดกันแล้วอะคือแก่แรดนี่ก็ขนาดหนึ่งนะคือคนมันเกินเกินความจริงนะแก่แรดเนี่ยเขาพูดประชดคนนี่ขนาดนี้มันยังไม่แก่มันทําตัวเหมือนกับแม่แก่ทําตัวสู่รู้ทำตัวโ ต, วตวเกินวัยทาตัวอวด ทำตัวมันมันมั น, มนดัดจัิตเกินเกินวัยดัดจัิตเกินฐานะก็เด็ดจัิตเกินตัวไปนิดนึงเรียกว่าแก่แรด <c oughs> อันนี้แก่กว่าแรดนี่มันเกินเรียกว่ามันยิ่งเกินกว่านั้นอีกนะทำมาตัวเองมากไปเนี <c oughs> ่ยเราก็ควรจะได้พยายามที่อาตมาอธิบายนี้ไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นเรื่องจะว่าเรื่องยากมันเป็นเรื่องยากก็ไม่ใช่ยากจะว่าเรื่องง่ายก็ไม่ใช่ง่าย แต่ก็พูดให้มันหมดบทพูดให้มันเข้าใจกันให้ดีๆว่ามันละเอียดลึกซึ้งลึกซึ้งจริงๆมันเกิดจากสภาพจริงพวกนี้จริงๆเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนนีนลึกซึ้งมากอัตมาหยิบมาพูดอีกฟังดีๆมันไม่ใช่เรื่องโมเมมันเป็นเรื่องขยายความสัมพันธ์ขยายความสังเคราะห์สภาพธรรมหลักธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันเกี่ยวเนื่องหลักไหนก็ยิ่งๆหลากไหนก็สําคัญยิ่งถ้ารู้มันจะสําคัญกันลึกซึ้งซับซ้อนไปหมด ถ้าเราได้พยายามดูองค์ประกอบต่างๆเรามีองค์ประกอบที่ดีนะเสนาสปายะนี่มีกิจวัตรที่ดีมีสัตบุรุษแล้วมีสัพบริสุพสยะได้ครบสัตบุรุษได้ฟังธรรมจากสัตบุรุษพร้อมกันละเมือนกับอาวุธที่ทำสีมาด้วยก็ได้นะได้ฟังธรรมได้ครบสัตบุรุษเนี่ยเรามีอันสิ่งเหล่านี้จริงนะ เสรและวเราก็ลึกถึงเวทนาของเราด้วยมีธรรมวิจัยในเวทนาในความรู้สึกสุขนี่เราหลงสุขเวทนานะแม่เล็กแม่น้อยแค่นี้เราก็ยังริมยังเลียยังและยังเล็มยังเสพยังบมเรอถ้าเราแก้ซะด้วยปัญญาเข้าใจว่าอย่าไปปล่อยปละละเลยอย่าไปเอาใจมันเลยกิเลสอย่าไปเสริมอย่าไปให้มันนิดหน่อยมันก็ชินแม้โทษมันมีประมาณน้อยเหล่านี้เราไม่ประมาท เราพยายามขัดเกลารตัวเอง อ, อย่าไปปล่อยปละละเลยมีความยินดีที่จะมาทําสิ่งที่ดีภาคเพียรสิ่งที่ดีามาทําวัดแค่นี้แหละเถอะขัดเกลากิเลสให้มันมาฟังทาเราก็จะเกิดสภาพที่จเจริญทั้งนั้นเพียรพยายามที่จะมีวายามะสมาวายามะพยายามให้มันถูกเรื่องถูกทางหรือวิริยะที่ดีที่จริงขึ้นมา เป็นเพิ่มอินทรีย์ของวิริยะแล้วก็มาใช้สติเพิ่มอินทรีย์ของสติให้เป็นสติที่มีกายะมีเวทนามีจิตจิตละเศษเหลือกของราคามูลโทสมมูลโมหามูลให้เป็นมหาคตะให้ขัดเกลาตัวสังกิตตะวิกิตตะลงไปอีกขัดเกลารไปอีกให้เป็นมหาคตะขึ้นไปจริงๆ ให้เป็นสะอุตระให้เป็นอนุตระขึ้นไปแข็งแรงตั้งมัน่นมีประโยชน์สมาหิตะหมายความว่าให้สะสมบุญให้มีประโยชน์ขึ้นสมาหิตะให้แข็งแรงให้ตั้งมัน่นจะแปลสมาธิว่าตั้งมั่นก็ได้สมาหิตะก็แปลว่าสมาธิก็ก็อยู่ในตัวแต่เป็นสมาธิที่เป็นสมาหิตะจริงๆเป็นสมาธิที่มีคุณค่ามีประโยชน์สอดคล้อง สอดคล้องสอดร้อยได้สัไดสได้ส่วนที่พอเหมาะพอดีเกิดคุณค่าเสริมหนุนไม่มีเศษเหลือแม้แต่อวิมุตจรเข้าใจในเจโตปริยาน16เห็นสภาวะของเราอ่านสภาวะที่อาตมาไล่ตัวภาษาหนังสือพวกนี้นี่แหละเห็นสภาวะเออเราเกิดดำเนินไปถูกต้องสอดคล้องละส่วนเหลือแม้จ ะ, ะระลึกถึงนิวรณ์มันก็เป็นส่วนของนิวรณหติดทีนะมิทะ น่ติดอุทจักุขจัอุอุทจกุขจัก็คือมันเป็นส่วนที่จะเป็นอุทจักสังโยชน์มันก็เป็นกรรมวิตรกชนิดละเอียดเป็นกามในภพไม่ใช่เรื่องที่เสพประเภทที่เดวตาหูจมูกดินกายแต่มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราไม่มาทำวัดเนี่ยเราก็นอนสัพับสัมผัสท่านั้นได้เอออย่างนี้อะ เสร็จแล้วว่าแล้วก็ยืดแต่ก็อากาศเย็นหน่อยกับคลุมผ้าห่มก็ได้มันสัมผัสแต่ต้องอ่ อ, อนเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรกันแล้วแต่ทั้งนั้นแหละ <c oughs> เสพสัมผัสมีทั้งนอกและในโดยเฉพาะเป็นในาพบที่อยากจะนอนอเป็นที่นังมิตรทงังเป็นร่วงเอาห้ อ, อนอนถ้ายังไม่ลุกมาทำวัดกันเองเป็นต้นหรือใครติดงานก็ไม่มาทําวัดละเอาแต่งานเอางานเป็นตัวอ้าง เอาตัวงานเป็นตัวแก้ทั้งต้นที่งานก็ไม่เร่งงานก็ไม่จําเป็นอะไรมากมายนักแต่ที่จะทําส่วนนี้ให้มันเกิดคุณค่าบ้างให้แก่ตนเองก็ไม่ทําอะไรนี้เป็นต้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเองมันพอใจแล้วก็บำบมเรอใจแล้วก็ขัดใจซะบ้างสันเลขาทำขัดกล้าวตัวเองซะบ้างให้มันได้ถูกขัดจริงๆถ้าไม่ถูกขัดแล้วมันก็จะ บัมเรอใจแล้วมันก็จะพอใจเหมาะใจติดใจใจมันก็จะมีกิเลสตัวพวกนี้นี่เป็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วนะที่อัตมาอธิบายนี่ถ้าเราอ่านเวทนาอ่านจิตปฏิบัติสติปัฏฐาน4จะเรียกนิวรณ์ก็อยู่ในนิวรณ์จะเป็นอุปทานขาน่าก็าอยู่ในอุปทานขาน่าจะเป็นอายตนะหกอายตนะ12ก็อยู่ในธรรมะพวกนี้ทั้งนั้นถ้าเราไม่สังวรระวัง ในอายตนะพิจารณาอินทรีย์6อินทรีย์สิอินทรีย์หกแล้วนะไม่ต้องไป22อถ้าอินทรีย์หอินทรีย์สิงท่านก็อธิบายท่านก็เรียบอายตนะนอกอายตนะในอินทรีย์นอกอิ C, นทรีย์ในก็คือตะวันตาหูจมูกดินกายใจนี่แหละเราไม่สังวรไม่สารวจอินทรีย์พวกนี้ไม่สังวรไม่เพราะพายายามที่จะปฏิบัติประพฤติสังวรก็คือปฏิบัติประพฤติให้มันมีการขัดเกลา ให้มันมีการพัฒนาตนถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำสมควรแก่ธรรมตามวุตธิสีมันก็ไม่ไม่เกิดสมควรมันก็เป็นการบำเรอเป็นการให้กิเลสมันไม่ใช่ขัดเกลาให้ทรงธรรมให้เกิดธรรมที่เป็นกุศลที่เจริญไม่ได้สั่งสมธรรมไม่ในภาคปฏิบัติที่แท้ พอโพธิชงเก็ไม่สมบูรณ์โพธิปักเคียทำก็ไม่เกิดสมบูรณ์อริยสัจสี่ก็ไม่สมบูรณ์เพราะนั้นอริยสัจสี่ก็ดีในโพชงเจก็ตามในธรรมหมวดธรรมของสติปัฏฐานสจิตก็ด้วยเวทนาก็ด้วยกายะก็ด้วยรวมแล้วจก 4, ักสี่ สังวรประทานก็ด้วยสมัปประธานก็ด bueno ้วยภาวนาประทานก็ด้วยเราได้สังวรเราได้กระทําตามสมควรทําให้ประเสริฐสังวรในอัตมาแปลฟังเราจะทำให้ประเสริฐประกอบความประเสริฐสังวรเนี่ยประกอบความประเสริฐนะทำให้ประเสริฐพยายามประกอบความประเสริฐขึ้นในแก่นตนก็คือมีการกระทํากายวาจาแล้วก็ใจนี่แหละพยายามจะ ปรับจะให้มันเป็นกายอย่างนั้นเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นวาจาอย่างนี้เป็นการกระทําอย่างนี้ขึ้นมาเป็นกิจอย่างนี้ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ได้ประหารกิเลสประหารประทานได้ลดละจางคลายได้ทําให้มันกัดขัดเกลาจริงๆจนกระทั่งเราตามเห็นเลยเวิราคานุ ป, ปัสสีตามเห็นความจางคลาย ตามเห็นไอ้เจ้ากินเลสนี่มันสู้เราไม่ได้เราเอาชนะมันได้นะเราทําสิ่งที่ควรนะ่ะตั้งตนไว้ชอบทําสิ่งที่ควรแล้วตั้งตนอยู่ในสภาพที่ดีแล้วเราก็สั่งสมไปหมดสมประธานสี่ก็สั่งสมแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีอนุอนรักษณาประทานนะสั่งสมสิ่งที่ดีสัตรักษาสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้แล้วเกิดแล้วควรแล้ว แล้วก็ขัดกล่าวใหม่เสริมสิ่งที่จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นด้วยอิทธิบาทสี 4. จักสีนี้เดินบทเต็มรอบเลยพระอัตมารเรียกว่าจักสี่ก็เอาภาษาของสติสัมปชงเปลี่ยมมนจักแก้วและบอกได้ว่าจักรแก้าจะต้องประกอบไปด้วยกําลังของช้างของมา้ากำลังของช้างแก้วกำลังของม้าแก้วก็คือประกอบไปด้วยสมประทานประกอบไปด้วยอิทธิบาท มันถึงจะเกิดจักติดเครื่องแล้วเราก็เป็นผู้ขับที่ขับเป็นเข่าเกียร์เหยียบคันเร่งถอนคลาดเข่าเกียร์ถูกเกียร์เดินออกเลยมันก็ดำเนินไปมันก็เป็นมรรคยิ่งสัมมาทิฏฐิยิ่งมีสัมมาสติสมาวายามะห้อมล้อมถูกต้องพิจารณาสังกปัปปวาจากรรมตะอาชีวะพิจารณาถึงสภาพที่เราตักกะวิตกกะสังกปะ เราคิดเรานึกเราตรึกเรามีดําริ่อย่างไรแล้วก็ดําริให้มันเป็นดําริที่จเจริญดําริ่ที่เป็นสัมมาดําริไม่ใช่ไปเป็นเพื่อกางเพื่อบําเรอตนในการในพยาบาทหรือแม้แต่วิหิงสาเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านบอก ว, ว่าวิหิงสานี้ก็คือสภาพที่ทําให้จเจริญยิ่งขึ้นในรูปราคะก็ตามอารูปราคะก็ตามมานะก็ตามอุทธจักก็ตามสังโยชน่าเบื้องสูงอุทธรพักคียะสังโยชน์ นั่นแหละเราสั่งสมไปซอ้อนในตัวเลยผู้ใดมีภูมิรู้ก็รู้ผู้ใดไม่มีภูมิรู้ถ้าคุณได้ทำคุณก็ทําตามหลักการที่ชั้นสูงขึ้นมาสอดซอ้อนกันไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นถูกสัตว์ถูกสวนก็มาเรื่อยๆเสริมหนุนมันจเจริญเนตามาขยายขยายฟังก่อนเดี๋ยวไปขยายกันที่พุทธาพิเศษก็ขยายอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเหตุการณ์เนตามาก็ไม่ได้เอาเหตุการณ์นั้นนั้นมาเป็นตัว ตัเหตุปัจจัยเป็นตัวตัวอย่างเป็นตัวแบบที่จะเอามาขยายความแต่วันนี้หยิบอันนี้ขึ้นมาก็หยิบอันนี้เรามาเป็นตัวแบบที่จะมาเจาะแล้วก็มาพาจะมาเป็นอาจารย์สอนวิปกายวิภาคสอนตรสรีระศาสตร์ ก็เลยจับวันนี้ก็จับท่อนนี้มาเอาพาแวะให้ดูโน่นนี่นะชั่แหลกเหมือนหมอผ่าตัดนี่อาจารย์สอนหมอผ่าตัดก็เอาอันนี้มาแวะดูนี่เส้นประสาทตรงนี้นะนี่ประสาทนี่นะประสาทที่อันนี้ส่งเลือดตรงนี้อันนี้ตัวนี้ส่วนนี้อันนี้ขยายอันนี้นี่มันอันนี้สัพพันอันนี้อันนี้จะทํางานกับอันนี้อันนี้อะไรกับผ่าตัดมาแวะพอดี วันนี้ก็จับได้ส่วนขาก็ขามาแหวะให้ดูวันนี้เจอส่วนตับเอาตับมาแหวะให้ดูวันนี้เจอส่วนหัวใจเอาหัวใจมาแวะให้ดูนะก็หยิบมาแล้วก็เอามาใช้ในการอธิบายในการสอนในการแนะนำนะถึงกล้งถึง ค, งงคาวควรก็ได้รับเราได้ฟังมากสดับมากเป็นพหุสูดและก็ยิ่งฟังก็ตามสดับกลับฟังนี่ก็ยังได้รับ ของจริงที่มีสภาวะบุเพได้ระลึกย้อนถึงที่อาตมาพูดไปแล้วมันถูกที่เราเองผ่านมากระลึกได้ตรวจสอบได้เห็นการเกิดของกิเลสและเราได้ต่อสู้ไหมที่ผ่านมาเคยต่อสู้ชนะหรือแพ้หรือแม้แต่อาตมาพูดเนี่ย ยิ่งหลัดหลัดเมื่อกี้นี่เองครั้งแม่ไม่อยากตื่นแต่เราก็ได้ตื่นโอ้ดียังเอาชนะมันได้ก็เห็นว่าเออไอ้กิเลสมันเนี่ยสู้เราไม่ได้มันได้ดับหรือมันได้ลดได้ระจางคลายเราชนะเรามาดีมาได้ฟังธรรมยิ่งดีใหญ่เลยพูดนี่ตรงเป๊กไอ้สภาวะเมื่อกี้เลยเมื่อกี้สู้กับกิเลมายกยกหม่ชนะกิเลมายกยกโอจริงเราทําดีแล้วถูกแล้วชัดแล้วมันจะเกิดธรรมะไอ้ที่ ต่างๆนานาพุทธเจ้าท่านตรับไปหมดแล้วไม่เหลือท่านบอกว่าท่านแบมือนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราแสดงธรรมเหมือนกับแบมือแสดงธรรมเหมือนกับสองมือแบเราไม่มีอะไรไว้ให้เธออีกแล้วเราแบเราให้หมดแล้วแต่เราสิรับไว้หมดหรือเปล่าเราไว้จิตเดียวนอกจากเราไว้จิตเดียวเรายากเอาไปปฏิบัติอีกอีกจิตลงไปอีกโดยซ้ำเราไว้จิตหนึ่งแล้วแถมเอาไปปฏิบัติอีก หักออกไปอีกตั้งไม่รู้กี่จิตเหลือไว้ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนร้อยของจิตมันเล็กขนาดไหนมันน้อยขนาดไหนมันก็ไม่เข้าถา่าเมื่อเรารับไว้ให้ได้แม้จะจำจดจำได้เป็นปริยัติกับตามเป็นความเข้าใจเป็นความเห็นมันก็เสริมหนุนให้เกิดสมาธิที่ดีขึ้นยิ่งเราได้ภาคเพียงปฏิบัติมกักคังคะ ได้เกิดมาคังคะแล้วก็ได้เกิดบทปฏิบัติธรรมวิจัยสัมโพธชงหรือได้เกิดบทของสมประทาน4มันก็ยิ่งจะเกิดสัมมาทิฏฐิสั่งสมลงเป็นปัญญาปัญญิีสี่มีอินทรีย์ของปัญญามีอินทรีย้าพละ5สัตทินรียก็จะเกิดวิริยินสีก็จะเกิดสัตินรียก็จะเกิดสมาทินรียก็จะเกิดปัญญีสีก็จะเกิดมันจะเกิดอินทรีย์เกิดพละ เกิดปิติเกิดปัสสธิถ้าเอาตัวสัมโพชงมาเกิดแก้วมณีจนกระทั่งดีขึ้นเป็นนางแก้วเป็นสิ่งวิเศษนางแก้วเป็นยอดเพชรยอดแก้วมีแก้วแล้วก็แก้วนี้ก็ยิ่งพัฒนาขึ้นเป็นได้แก้วมณีเราก็ยิ่งได้แก้วที่วิเศษแก้วชิ้นดีดีแก้วชิ้นนี้พัฒนาขึ้นไปอีกเป็นนางแก้ว จนร่ำรวยเป็นขหบดีแก้วคือสั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌง์สั่งสมลงไปสั่งสมลงไปเป็นพละหาพละหักกำลังหรืออินทรีหรือทรัพย์หรือสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นคนเกิดก็คือคุณธรรมสั่งสมสงสมธรรมมีสมบัตินี่เป็นธรรมะนะ ที่สมบัตินี่สมาธินี่ตั้งมัน่นอย่างลงตั้งแรงแข็งแรงเป็นทีเตจนสู่สภาพอนเนชปัฏเตถ้าเป็นฌานถ้าเป็นญานเป็นมิมุติก็ได้ขัดเกลาได้เกิดยานปัญญาขึ้นมาจริงจริงจริง จ, ง จ, งจงเลยอ่านได้มีญานปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงของจริงที่ตัวเองเป็นตัวเองได้ลึกซึ้งซับซ้อนเข้าไปเลยนะครั คุณธรรมวิเศษที่ได้ถึงอุเบคาเจตสิกฐานนิพพานไดอะตมาเรียวาฐานนิพพานอุเบขาสัมโพชงจิตมันจะเป็นฌานเป็นวิมุตถึงขนาดนั้นอย่าเน้กว่าอุเบคาไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบในภาษาพระอภิธรรมนี่เขามีเจตสิกตัวหนึ่งอุเบคาสัมปยุตตัง ผูนะ้เบคาสังฆตังญาณสัมปยุตตังนะผู้เบคานี่ก็จะประกอบไปด้วยญาณสัมปยุตมียานเข้าไปร่วมพร้อมมียานเข้าไปสัมปยุตมียานเข้าไปทํางานเกี่ยวข้องมีบทบาทอยู่ในนั้นเสร็จนะมีเจตสิกมีจิตมีเจตจิตมไม่ใช่เจตสิกตัวนี้จิตเลยนะอาตมาลืมหมดแล้วว่ามันมันอยู่ในจิตอะไร ในหมดไหน ว, วางงานนี้เรียนพรอภิธรรมมายิ่งกว่าผมอีกลำรับไม่ได้แล้วขนาดเรียนมาด้สอบเอาใบเอาบัตรอะไรมาด้วยนะเราก็แค่อ่านเองแล้วมันก็อ่านไม่กี่เที่ยวนะก็พอจําได้นิดๆหน่อยๆไม่ได้นั่งท่องปไปสอบไปเสิร์ฟบอกก็ไขล็อกเวคขาสากะตังยาณสัมประยุตตังนี่เป็นชื่อจิตนะไม่ว่าจะเป็นมนมีกาเมาจิตแล้วมันก็มีโสภณจิตมัใช้มีอะไรต่อสาม ามาจิตแล้วก็ตัวตรองมาก่อจะมออาอเหตุตักจิตแล้วก็โสพณจิตหวดนี้จะเป็นหมวดอาเหตุตักจิตหรือเปล่าหรือโสโสพจิตไม่รู้มันจะอยู่ในหมวดโสพนจิตะนะ ไ, ไม่รู้อตาตมาก็จําไม่ได้นะในในในพวกนีน้น ไ, <ป S 2> ไม่ได้เรียบเรียนั่นแหละมันจะเป็นโสพนแปลว่าจิตดีโสโสพนแปลว่าดีนะนี่ก็พูดไปโดยบัญญัติพวกนี้เนี่ยท่านว่าไว้ดีในพระอริธรรมก็ตามท่านสอนไว้ดีท่านแยกวิเคราะห์ไว้ดี ถ้าเราได้ศึกษาพยัญชนะเราก็จะรู้พยัญชนะแม้เราไม่ศึกษาพยัญชนะนะถ้ามีสภาวะจริงของเจตสิกจิตเจตสิกพวกนี้จริงมันก็เป็นความจริงที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเกิดเกิดจริงเป็นจริงได้จริงแม้จะไม่มีชื่อเรียกแต่เราก็เข้าใจสภาวะมันว่ามันดีอย่างงี้มันเกิดอย่างงี้มีคุณค่า ย, ย่างงี้น้าเราได้ภาคปฏิบัติที่แท้จริงนะ อาตมาเองอาตมาเห็นว่าพวกเราหลายผู้หลายคนปฏิบัติก็ฟังธรรมะได้ลึกขึ้นที่อาตมาอธิบายไปนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเป็นพระปฏิธรรมระดับสูงเป็นความรู้ระดับสูงระดับถึงสภาวะประมัตา์เป็นสภาวะประมัจาร์นะแต่อาตมาพูดเนี่มันเป็นปริยัตเป็นสมมุติี่สัจจะเป็นภาษารู้ร่วมกันได้เข้าใจกันได้ใครมีภูมิธรรมก็เข้าใจภาษาสมมุดที่สื่อไปเป็นตัวแทน ไม่ใช่เรื่องสภาวะจริงสภาวะจริงของไขของมันเมื่อฟังภาษานี่ไปแล้วคุณก็ไปเอาไปเรียกหน้าตาของตัวสภาวะเอาไปจับตัวจับฝาจับตั ว, ถ, ตวถูกตัวของคุณที่ฟังไปแล้วมันก็เออถูกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของเราคุณก็เกิดตัวรู้เกิดของแท้ถ้ายังไม่มีก็ไปทาให้มันเกิดฟังไปแล้วเข้าใจแล้วก็เออเข้าใจดีแล้วละภาษาก็าไปปฏิบัติให้มันเกิดเพื่อพิสูจน์ ธรรมะของพระเจ้านี้ท้าถายให้พิสูจน์เรียกร้องกันมาดูเชิญชวนกันมาดูเป็นเอหิปัสสิโกจะเกิดจริงเป็นจริงนะถ้ามันเกิดพรพร้อมดีจริงๆมันก็จะเริญทั้งนั้นแหละและตัวเราเนี่ตัวคนแต่ละคนพวกคุณเป็นตัวคนตัวพวกเราแต่ละคนแต่ละคนได้ดีไม่ได้ดีนั้นไม่ใช่เกิดประมาทเราได้ดีพอสมควรแล้วก็ประมาทสิ่งที่เราดีเราก็ทําไปอย่างนี้แหละเป็นกิจวัตรที่ดีใครอุตสาหะ ด, ดีใครภาคเพียรดี มันขาดเหลืออยู่แต่ตัวอิทธิบาทหรือตัวความเพียนวิริยะนะีพวกเรานี่มีของดีแต่เราก็ขาดวิริยะไม่ค่อยใส่ใจเอาไม่ว่าจะเป็นอาตมาเทศหรือไม่ใช่อัตมาเทศก็ตามมันได้ขัดเกลาดังที่พูดไปแต่ต้นแล้วมันได้ฝึกปรือนะภาคเพียนลดละความบาเรอตนขี้เกียจพวกเรานี่บอกแล้วว่าเหมือนกับพวกที่ฐานะค่อนข้างดีแล้วนะ ข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนดูแลรักษาขีหม้ามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยปะช่วยชุ น, นบุญมีคนเอาตักเอาตวงเอาไปเราไม่ได้ทำาัีเราต้องทำที่บุญบุญต่างคนต่างทำบุญต้องพยายามที่จะต้องสะสมพยายามตัมตัวใครตัวใครเขาพยายามสั่งสมบุญ ขัดเกลวนั่นเองบุญบุญยะเนี่แปลว่าเครื่องชําระแปลว่าได้ชําระมีการชําระชําระให้มันเกิดกรรมคริยาติการชําระบุญนี่คือการชําระให้เกิดอาการที่เราได้ชําระชําระกิเลสชาระสิ่งที่ควรชําระออกกิเลสตัณหาอุปทานใดๆมีจาบกลางละเอียดขนาดไหนก็มีเวลาได้ศึกษาได้แบบาเทโธเพื่อลดละจางคลายทําให้มันออกไปให้ได้ทุกทีไปนี่แหละ มากน้อยตรงเพียนเอาอถ้าเราได้อยู่ดีนี่ไม่ว่าจะเป็นคนทั้งโลกหรือคน ท, ทั้งธรรมมันจะประมาทประมาทตรงที่เรียก ว, ว่าเมื่ออยู่ดีคําว่าอยู่ดีเนี่ยคือบําเรอก็ได้หรือจเจริญมาสบายจเจริญมาสบายสบายในภาษาไทยคือมันสบายสบายมันก็ ป, ปล่อยตัวตามสบายแล้วมันก็บําเรอ ง, ง่ายเป็นคุณยิง่งคุณนายเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเจ้าสัวเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นมา ทุกๆอย่างก็ไม่ต้องขัดเกาไม่ต้องอุตสาหะไม่วิริยะขี้เกียจขี้คร้านเบียดเบียนผู้อื่นคือพึ่งแต่ผู้อื่นให้ผู้อื่นนั่นะ่ะช่วยเหลือเราโดยเราไม่ช่วยตนโดยเราไม่พยายามที่จะทำซะเองให้แต่คนอื่นช่วยเราก็เป็นหนี้อยู่เรื่อยอให้แต่คนอื่นช่วยหรือเราเองไม่พยายามขนขวายเอง ไม่ค้นขวายไม่มีเวียว่าจะไม่ค้นขวายในสิ่งที่จะาควรจเจริญเรียนแล้วก็ข้นขวายเรียนในการเรียนนี่มีภาคปฏิบัติบอกแล้วแม้แต่แค่มาทําวัดมันก็เป็นภาคปฏิบัติที่พิสูจน์ตัวเราเหมือนกันถ้าพอเรายินดีนะโอ้โฟังทําไม่มีจบไม่มีพอไม่อิ่มไม่เต็ม <c oughs> มีความบนับนเทิงมีความเต็มใจมีความยินดีได้รับโอ้รับธรรมารต จะพูดซ้ําก็ทราบซึ่งยิ่งขยายใหม่โอ้ยิ่งมีปิติยิ่มีตัวดีตัวเจริญเพราะขยายใหม่โอ้วันนี้ได้ใหม่ฟังธรรมมีอานิสงส์ห้าตัวโดยเฉพาะตัวแรกเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้ไม่เคยได้ฟังก็ได้ฟังเนาะสิ่งนี้ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเนาะอา น, นิสงส์ข้อแรกขอ ง, อนนงการฟังธรรมเลยเกิดจริงๆความเข้าใจที่จะเข้าใจก็เข้าใ จ, าาใจยิ่งขึ้นอา น, นิสงส์ข้อสองของในการฟังธรรม อย่างนี้เป็นตน้นมันเกิดจริงๆนะทำให้เราพ้นวิจิกิจชาพ้นมิจฉาทิฐิยิย่งทำให้เราไอ้ที่เคยสงสยงัยข้องใจก็คลายไปจางไปไอ้ทิฐิ ท, ที่ยังไม่ตรงตรงขึ้นอีกจิตใจก็ยิ่งศรัทธาเลื่อมใสเบิกบานราเริ ง, รรรงมีธรรมรสวีเศษอันนี้สงในการฟังธรรมเกิดจริงๆ มันเกิดก็ยิ่งเกิดระวังจะเกิดมากจนกระทั่งยังไม่อยู่อยากจะช่วยเทศนี่เหมือนกันพวกเราฟังนะมันอยากจะบอกให้คนอื่นได้ยินอย่างยะตะโกนโอ้ยมันเฮรุ่งเรืองด้วยทำสว่างสวัยด้วยทำเมกบาลด้วยามยินดีด้วยทำมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ระวังยับยั้งที่ควรระวังอย่าแย่งอาตมาเทศเลยมันขึ้น ม, มัน โอ้ธรรมะมันอัดอันเทศไปก็ฟังธรรมไปก็ยิ่งเบิกบานราเริงยิ่งธรรมะเกิดมากมายแล้วมันก็เกิดปิติแรงก็ระวังสิ่งเหล่านี้เกิดจริงเป็นจริงมีปิติแล้วก็กถ้าเป็นอุปกิเลสได้ดีแล้วเราก็ิดหลงในดีหลงปิติติดปิติหรือปล่อยให้ปิติมันเป็นปิติผีบ้าก็ไปเป็นปิติผีบ้าขึ้นมาก็ได้ระวังเราจะได้ดีปิติเกิดปัดสสติ เกิดปิติได้ดีแล้วจงระวังให้จิตสงบไม่ใช่ยิ่งปิติก็ยิ่งบายิ่งแหม่ปัทุอะไรอะไรขึ้นมารุนแรงเป็นเพ่งคาปิติเป็นโอทกันติกาปิติเป็นปิติแรงปิติหนักปิติพากระโดดพารอยพานุ่นพานี่พาทำรุนรุนแรงแรงอะไรก็อย่าให้มันเกิดให้มันเป็นปิติธรรมดาภารณาปิติปิติที่แผลซ่านไปในตัว ยิ่งแผลซ่านไปยิ่งนิ่มยิ่งละเอียดยิ่งเบาเป็นภาณาปิติก็ให้รู้ว่าเออมันมีความปิติในตัวมันไม่สงบสนิทแต่มันก็เป็นตัวรู้ได้มีเวทนาในเวทนาตรวจเวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนาที่ได้รับผลหลัธรรมเป็นสิ่งที่ยังมีอาการมีอาการแผลซ่านเออมันก็ซ่านมันก็แต่มันก็ดีนะมันไม่รุนแรงมันปิติมันเกิดจากเหตุอะไร เราก็รู้อาการทางจิตของเราถ้าเรายิ่งไม่ต้องเกิดว่าพารวนาพิติก็ไม่ต้องเกิดเกิดรู้เป็นความรู้ไม่ใช่รู้สึกแล้วก็มีอาการมีอารมณ์อะไรบ้างว่างจนกระทั่งไม่ต้องรู้แผลซ่าอะไรก็รู้แล้วรู้โดยสัจจะเป็นความจริงที่รู้อันนี้ลึกซึ้งนะอันดีอันนี้พิเศษ ไม่มีอาการซ้อนอาการข้างในจิตว่าโอ้โหเกิดประทับใจจนอุเพงคาพิติประทับใจจนน้ำหูน้ำตาไหลก็ไม่ต้องมีอุเพงคาพิติอย่างนั้นอะไรงนี้เป็นต้นเราจะรู้ในอุปกิเลสที่เป็นปิติที่ท่านอธิบายเป็นอุปกิเลสลงไปขุทกาพิติโอโอ โ, อโ ก, กัติกาคณิกาก่อนนะขนุทักคณิคคณิกาโอโตกันติกาแล้วก็อุเพงคาแล้วก็ภรณา ปิติหเราจะรู้สภาว่าของเสิ่งเหล่านี้มันเกิดอันนึงบอกขนาดอันนึงบอกเวลาคัิกะคณิกะเป็นบอกเวลาเป็นขนาดเป็นช่วงเป็นช่วงส่วนคุทธกะเนี่บอกบอกขนาดอันนึงบอกเวลาลักษณะของปิติมันเป็นขนาดขนาดมากขนาดน้อยคุทธกะก็มาเกิดเป็นก้อนเป็นสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นมีมากมีน้อยอะไรคุณก็รู้ขนาดส่วนคณิกะในเวลา โ, โอกระดิกากะโอเพงคานี่ก็บอกขนาดมันบอกขนาดแรงก็เรียกว่าโอเพงคาโอกระิกากา็กากนากาาในสภาพช่วงขณะที่ขยายขยายสภาพตรงนี้อีกเหมือนกันเพราะพราะนาก็เป็นอาการของจิตที่ปิตินี่แหละมันจะแรงหรือจะน้อยจะยาวหรือจะช้าจะยาวหรือจะสั้นเราก็จะรู้สภาพเลยว่าเราระ ง, งับได้นั่นนี่ เกิดนานบาที่เกิดแล้วก็ลดกว่าจะลดได้ขนานลดได้แล้วก็ยังต่อเวลาไปอีกนะคราวนี้ทำได้คราวต่อไปก็ยังเกิดอีกบ้างแต่ก็ดีขึ้นไม่แรงเท่าเก่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะรู้ว่ามันจนกระทั่งมันเบามีอยู่ในใจบ้างมีรอยรอยไร่แผลแผลสั้นๆกระสานกระเซ็นกระสายอะไรอยู่ในใจบ้างจนมันอ่อนมันน้อย ตนอกจากนั้นก็เกิดยานเกิดปัญญารู้จริงรู้ทันอ๋อมันได้ดีแล้วนะเราได้ดีแล้วเกิดสิ่งดีแล้วถึงสิ่งดีแล้วสภาพสิ่งดีเหล่านี้เนี่ย ร, รู้ดิจารมีแต่ยา น, มยานไม่ต้องเกิดอาการฟูใจเลยแม้แต่อุทจจัสรังยนนิดๆหน่อยๆก็ไม่เกิดนี่คือตัวฟูอุทจจัตเนี่ยฟูจิตอาการจิตฟูนิดๆหน่อยๆไม่ให้มีแม้แต่เศษทุลีละอองของ ความชอบความชังความเป็นโลกียารตของภพชาติเป็นโลกียารตของภพของชาติฟังความนี้ให้ดีๆโลคียารตของภพชาติแม้แต่นิดหน่อยเป็นอุทธัจจสังโยชนิดหน่อยก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการศึกษาที่ดูอ่านอ่านประมัติจิตเจตสิกและกิเลสต่างๆอุปกิเลสต่างๆเนตมาเมือนกัสอนผู้ที่กําลังจะเป็นพระอาหารหันนะ เข้าใจไหมนี่รู้ไหมนี่กำลังสอนนี่ภาษาบัญญัติที่อธิบายนี่กำลังสอนผู้ที่กําลังจะเป็นพระอรหันตเ์เบิกบานยิมยม้มแย้มถ้าเรารู้แล้วเราก็ทําสมุดนั้นเพื่อสนองตอบเอามันก็เป็นการรู้ทําอย่างรู้จะเบิกบานแล้วก็ยิมยม้มแย้มก็เป็นการสนอง เ, ออเป็นสุริมหามายาได้เป็นสภาพที่เทรวะสนองตอบเพื่อเป็นรูป เรื่องหนึ่งเป็นตัวเกิดอันหนึ่งเป็นรูปมายาหรือมะยามะยาอันเป็นตนที่เกิดตัวตนเองที่เกิดสภาพนั้นหนึง่งนะถ้าเป็นมายาก็หมายความว่าเรารู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็เป็นมายาแท้มันเป็นความลวงว่ามายาแท่แต่ถ้าเผ่อว่ารู้มันไม่ใช่มายาเรารู้เราเจตนาสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เป็นสิริมหามายานะ เอาล้พูดภาษานี้คนที่เข้าใจอ่านทุกทั้งเอกมาเข้าใจอสภาพพวกนี้ก็จะเข้าใจถ้าใครไม่ไม่รู้ก็ฟังไว้ก่อนฟังไว้รู้ภาษาไว้เท่านั้นก็พอนีเนี่ยพูดไปพูดมาบอกแล้วเนี่ยสอนกําลังจะสอบคัดเลือกสุดท้ายให้คะแนนสุดท้ายสอบปากเปล่าเอากับผู้จะให้คะแนนเป็นพระอรหันต์นะเนี่ยมันคล้ายๆกับการศึกษาหรือระดับนั้นทีเดียวนะถ้าใครเข้าใจก็ฟังไว้ ใครไม่เข้าใจเทปนี่อธิษฐาไว้เอาไปเปิดฟังอีก50ปีข้างหน้าในธรรมาตายไปแล้วคงมาอยู่ยืนอีกถึง50ปีมั้งถ้าคืนต่อไปอีก50ปีเนี่ยอายุร้อยกว่านะถ้าอีก50ปีผ่านไปสรุปแลกก็ดีถ้าเราได้มีมิตร ด, ดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีมีบุคคลสปายะมีธรรมะสปายมีอาหารสปายมีเสนาสนะสปายขนาดนี้ถ้าคุณไม่ตักตวงเอา คุณไม่เพียรตนคุณไม่อุตสาหาพยายามเอาคุณก็เสียโอกาสหรือคุณก็ขาดเองนะของฟรีนะสิ่งเหล่านี้ของฟรีให้คุณฟรีมีอยู่ประจำโอกาสที่ดีแท้ๆที่ได้ที่เป็นที่มีพวกนี้ได้ฝึกฝนกดตามได้รับฟังกดตามตัวบอกแล้วว่าเมื่อเราลุกมาฟังทำแล้วเาก็ น, านั่งให้ดี สังวรระวังตัวเราเนี่ยเราได้ฝึกฝนตรงนั้นแหละฝึกฝนเป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชินทำให้ชำนาญทำให้ง่ายโดยได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากมันก็หมดทุกแล้วนี่พอไ ด, ได้ยินระคังแก้ ง, กงเป็นอัตโนมัติเลยเราก็มาเหมือนเหมือนกับกลไก่ลูกเสร์ลูกเฟืองมันก็มุนมันก็มุนเดินมาปกติ โดยไม่มีความยากไม่มีความลําบากอะไรเลยเป็นอัตโนมัติเดินเคลื่อนตัวมาแล้วก็มานั่งฟังธรรมเหมือนหุ่นยนต์แต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่หุ่นยนต์มันมาด้วยจิตวิญญาณมันมาด้วยความรู้มันมาด้วยความรู้สึกกําหนดรู้ตัวเองเลยว่าอ๋อเราเดินมาถูกเรามานี่มาเพื่ออะไรอย่างน้อยเราก็มาเป็นรูปแบบเห็นว่าอ๋อทําอย่างงี้เลยเราจะทําตามทักตะเที่ไม่รู้ว่ามาทําไมเดินมามานั่งนั่งทําไม คนมีปฏิภากรู้ทําไปประเดีย๋ยวก็พาไหว่รประเดี๋ก็ได้ฟังธรรมอ๋อมาฟังธรรมเหรอมีอันนี้โออดีนี่เขาก็จะเกิดปัญญาถ้าว่าเขารับแล้วมันได้ดีเขาก็รู้ว่ากิจนี้ควรทําเขาก็จะมาทําเป็นตัวอย่างนําพาเป็นตัวอย่างอะไรอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มีรูปมีแบบมีรูปมีนามดีขึ้นมาสอดคล้องไปหมดอ่าสอดร้อยไปหมดเพราะฉะนั้นเราทําแล้วเนี่ยมีกิจวัตรก็ดีแล้ว มีตัวเราก็ได้เพิ่มเติมขึ้นไปก็ดีแล้วอาตมาก็ยืนยันว่าทำวัดอย่างนี้ยังจะต้องทำไปดีอีกจนกระทั่งปรับอโศสมีก็จะต้องมีจารีประเพณีพวกนี้แหละถ้าไม่มีทำวัดนี่มันก็จะไร้รอแน่ทุกวันนี้มันไม่มันมีการศึกษาที่อาตมาเคยอธิบายแล้วมหาวิทยาทุกวันนี้ก็อาศัยการบรรยายการสอนนี่มันนั่งพูดนั่งอธิบายให้ฟังเป็นการสอนเลคเชอร์การบรรยายแล้วก็เป็นโมโหเงี้ย สมัยโบราณเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้ามีหมู่สงฆ์อยู่ทั้งกัหนังบรรยายเหมือนกันเป็นกิจวัตรได้เหมือนกันมาอบรมแต่ท่านทำวัดเย็นนะเย็นสี่มงเย็นท่านก็อาประชุมสงฆ์งมาพรักพร้อมทัง้งกับรรยายธรรมะสู่ฟังอย่างนี้เป็นตน้นนะแล้วก็ทําวัดเช้าทำวัดเย็นอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเราก็ได้นะบางเป็นภาวนาสมัยก่อนไม่ต้องมีการศึกษาไม่ต้องมีรูปแบบการศึกษามากนะัก สมัยนี้ต้องมีการศึกษามีรูปแบบการศึกษาเพื่อที่จะเสริมปริยัติพร้อมกันนั้นในปริยัติจงรู้ว่าในปริยัตินั้นมีปฏิบัติเรามาฟังปริยัติเนี่ยเรากําลังปฏิบัตินี่เราได้มาเราได้ขัดได้กลาเราได้เป็นประโยชน์ตนและเราก็ได้เป็นประโยชน์ท่านอย่างน้อยนี่เรามาเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็ได้เป็นประโยชน์ท่านอยู่ในตัวด้วยสร้างจารีตประเพณีสร้างวัฒนธรรมสร้างรูปแบบนี้ให้เกิด นี่เราก็ดีขึ้นนะโดยอาตมาพยายามนะว่าที่พูดนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไปด่าไปว่าแต่ใครรู้สึกว่าเออเราโดนพอทันดาแล้วคนนั้นรู้สึกเองคนนั้นรู้สึกเองท็นขณะนี้อาตมาไม่ได้ด่าใครใครเป็นพยานให้อาตมานะแต่ใครรู้สึกว่าถูกด่าคนนั้นเาถูกด่าเขาก็จะสำนึกของเขาโอ้ี่เราจริงนะใ น, นระบบพร่อง เราจริงๆโดยบัมเรอตนเราไม่น่าเลยมันน่าจะมามันน่าจะเป็นสิ่งนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาถูกด่าเองมันเป็นสำนึกนะนี่เป็นอิสระเสรีภาพไม่ได้บังคับเกินเกินไปสำเนียงจำนวนที่อาตมาพูดมาเมื่อกี้นี่ไม่ได้มีกระโชกกระชากไม่ได้มีรุนแรงไม่ได้ประชดไม่ได้กระชากกระแทกอาตมาว่าอาตมาบรรยายเรียบเนะใช่ไหมแต่คนที่รู้สึกว่าถูกด่าเขาก็จะรู้สึกของเขาตาม เรื่องของเขาเป็นสานึกของเขาคนที่ไม่ถูกด่าป่านนี้ฟังอย่าว่าจะถูกด่าเลยฟังไปไม่รู้เรื่องเอ้ยท่านว่าใครทั้งที่ตัวเองแสนที่จะเดินเข้าไปไม่รู้แต่หมัดหนักขนาดไหนระโดนเข้าไปเต็มเปาเลยล่ะก็ยังไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรเขาก็อวิชาต่อไปเขาก็ไม่รู้ต่อไปมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาก็ไม่ทําเพราะเขาไม่รู้จริงๆเขาไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยนี่เราถูกว่าหรเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอก เอ๊ะทันวาใครเว้ยนี่ไม่เห็นรู้เรื่องนี่ทันวาอะไรฉัน พ, พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่ใครรู้เรื่องล่ะนะใครรู้เรื่องใครโดนโอ้โหนี่ว่าเราเขาเต็มเป้าเลยนี่ไม่ได้แล้วเราต้องปรับปรุงแก้ไขก็รู้สึกตัวก็ปรับปรุงแก้ไขไปนะเราได้ทําได้ดีแล้วนะถ้าเรามีอะไรอะไรเป็นองค์ประกอบเป็นอะไรดีๆ เป็นอย่างนี้ไปนะเราก็ภาคเพียรยังเหลือแต่ตัวภาคเพียรบอกแล้วเหลือแต่ตัวอิทธิบาท้าพอได้มีอิทธิบาทก็ไม่อยากไม่เย็นหรอกอิทธิบาทยังมีตัวชันทะทีดีโอ้กิจนี้มีชั้นทะายินดีเราวิริยะขอกเบาตัววิริยะนี่มั น, ม, นมันเหมือนกับรถยนต์ติดเครื่องที่ดีพอชันทะขึ้นมาเท่ากับสตาร์ตปื้ดเข่าเกียร์ไว้รอเลยออกคัดเหยียบคันเร่งปล่อยคัดไปเลยนะเกียร์นี้เกียร์หนึ่งถึงเกียร์หพร้อมกันเลย ออกป๊อบมีทั้งแรงมีทั้งความเร็วพร้อมกันไปพื้นเลยรวดเร็วเพราะสัจจะที่เรียกว่าอินทรีย์พละเนี่ยมันเกิดอินทรีย์ที่เป็นบทบาทของ ก, กรรมกริยาเป็นกําลังในตัวคนนวิเศษเป็นกําลังช่างแก้วมากแก้วที่วิเศษเสร็จแล้วเราทํากรรมกริยาทํางานทําการทํากิจห น, น น, นีอะไรมันก็ดีเป็นกรรมนิยะหรือเป็นกรรมัญญา จะมาฟังทำก็ดีจะช่วยงานการมิตรสหายสัพพรมจรัญจะทํำนนทําำนี่อะไรมันเป็นกรรมที่ดีไปหมดมันเป็นกิจที่ดีสมควรแก่การงานกรรมนิยะกับแะไรไม่ใช่กับกรรมนิยะเหมาะควรแก่การงานไปหมดมันได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็ได้ประโยชน์คุณค่าได้ทั้งงานที่สร้างสรรค์ ได้ทั้งขัดเกลากิเลสหรือยิ่งเป็นพระอริยะคณารารย์ไม่มีกิเลสก็ตามก็เป็นงานที่สละสร้ยเป็นงานที่จะเจริญเป็นงานที่จะสมบูรณ์เป็นงานที่จะมีความความดีงามเพราะหมดความลำเอียงทุกอย่างมีแต่ความปริยะติสาหาีหจะมีความสามารถเท่าใดทางกาททำเต็มความสามารถ เราต้องถือว่าพระอหรหันต์เจ้านี่ทำอะไรก็ทำเต็มความสามารถไม่ได้ย่อนข้อมีสัพพุริสธรรมเจ็ดประการประมาณ ท, ท, ทุกอย่างให้มันได้สัดส่วนที่ดีที่สุดจึงเรียกวาได้ความเหมาะควรได้ความเหมาะสมได้ความสละสลวยได้ความพอเหมาะพอดีเป็นสัมมาเป็นมันชฌิมาลงตัวได้ส่วนได้สัดได้ขนาดจริงๆเนี่ยสัจจยายไปแล้ว ก็ฟังซ้อนฟังซ้ำฟังยำ้ำฟังเขยายในตัวมันเองลึกซ้อนขึ้นไปอีกหลายชั้นหลายอันเราทํางานก็ขอมาพูดถึงการงานด้วยการงานนี่มันก่อให้เกิดอัตามานะมากคนที่ทํางานยิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานเป็นผู้นําอะไรขึ้นมาเนี่ยมันติดบั้งติดเบอร์ขึ้นมาแล้วเราเป็นหัวหน้านี่วะมันก็จะเอาแต่ใจตัว มันก็จะหลงตัวเป็นอัตตามาณนะเอาเงินเอางี้ใหญ่เขาย้อนเขาแยงอย่ามาแย้งใครใหญ่ข้าหัวหน้านะคะได้รับแต่งตั้งนะในการแต่งตั้งมันก็ทำให้เราติดยึดอย่างนี้เหมือนกันถึงไม่แต่งตั้งแต่โดยปริยายคนเขายกให้ว่าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องสงวนตัวเหมือนกันเขายกให้ว่าเราเป็นใหญ่เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้นา นำเถอะท่านรู้นำเถอะท่านเก่งให้ท่านนำแม้โดยไม่ได้แต่งตั้งโดยปริยายโดยการรู้ร่วมกันก็อย่าเผลอหลงตัวเขายอมไม่มากเท่าไรเรายิ่งจะเผลอตัวง่ายเท่านั้นเขายอมยกให้เท่าไรเรายิ่งจะต้องเอาอำนาจบาดใหญ่เข้าไปเท่านั้นเราต้องฟังเสียงเขาบ้างนะฟังเสียงคนนั้นคนนี้เขาท้วงเขาทักเออคนนี้เขาชนานาญนะเขารู้มากนะสิ่งนี้เขาแนะอย่างนี้อย่างนี้ ไม่ใช่เราปัดทิ้งไอ้อย่างงี้มันมากไปนะอย่างงี้มันรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วล่ะไม่ต้องคืนเรื่องนี้ก็ได้เอาน่าเอานะดีแล้วดีแล้วไม่ฟังเสียงใครเขาเขาจะว่าไงตั้งแต่ที่เขาเขาชำนาญกว่านะเขาเคยมามากกว่าเขาเก่งกว่าจริงๆอะแต่เราใหญ่ซะอย่างนัปัดทิ้งหมดไม่ฟังเสียงไม่เอาน้อยนี่จะเอาอย่างไงนี้ใครเขาจะมีวิเคราะห์วิจัยเขาจะมีค้านมีแย้งอะไรบ้างตีทิ้งหมดไม่ฟังเสียงใคร จะเอาแต่ใจตัวดีๆนะไอ้อัตตามาณนี่<ม>การทํางานนี่อธิบายไปก่อนตั้งแต่ตัวใหญ่เนะีเราอยู่กับหมูกับฝูงในการทํางานจะเป็นการปฏิบัติลดอัตตามาณที่ดีมากนี่ตั้งแต่เราได้เป็นใหญ่นะแม้ม่ใหญ่มันก็จะใหญ่มันก็จะอวดรู้มันก็จะอวดเก่งจริงๆเรายังไม่เก่งก็อวด เรายิ่งเก่งจริงใครก็ยอมรับโดยปริยายอย่างที่ว่าหรือยิ่งเขาแต่งตั้งอย่างที่ว่ามันยิ่งไม่รู้ตัว ง, ง่ายที่จะเกิดอัตตามานะระวังะระวังพวกเรานี่พูดกันกอยิงชั่วขึ้นเยอะตรงที่ว่าเรารู้ว่าการงานเป็นการปฏิบัติธรรมการงานที่เป็นการปฏิบัติธรรมก็มีการงานยิ่งไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเลยยิ่งการงานก่อให้เกิดกิเลสมากๆๆ ก, ก, ก, ก็มี เพราะฉะนั้นพูดพูดกันอยู่ว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมอย่านึกว่าเป็นจริงไปหมดนะพูดที่ไม่มียานปัญญาไม่รู้นี่ทำการงานก็ย่งมีกิเลสติดงานกับยกไวเลยกรรมารามตาติดการงานแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยลหลงไหลงานน่นก็ติดงานจนกระทั่งไม่รู้จักอะไรจนกลายเป็นทรมานตนทรมานสังขารหรือติดงานจดออกงานมาอ้าง ไม่ปฏิบัติอื่นไม่ได้บาเพ็ญอื่นไม่ได้ฝึกปรืออื่นไม่ได้ทำอะไรอื่นอันจะพาเจริญได้ดีกว่างานนั่นก็ชุดเรามุ่งจะมุ่งแต่งานการศึกษาการเรียนการบาเพ็ญกิจวัตรการทำโน่นทำนี่การสังสรร์การจะมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบที่จะเกิดสภาพที่ขัดเกลาดีกว่านี้อีกก็ไม่เอามุ่งแต่งา น, งานจมอยู่แต่ในพบนั้นกับกิจนั้น สิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวใหม่ตัวแปลกที่จะกระแทกกระทุง้งกิเละเราออกมาเลยเราก็ไม่มีอะไรเกิดโจทย์มันก็ดือด้อโจทย์เก่าเมืึงก็นักทําแบบฝึกหัดทำแต่โจทย์เก่ า, มกกบบกาไม่มีโจทย์ใหม่ข้อพลิกแปลงข้อประหลาดประหลาดข้อที่ทําให้เราเป็นบทเรียนบทฝึกหัดที่ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวหรือจะต่างจริตต่างความยากต่างความลําบากอะไรอีกไม่มีบทฝึกหัดพวกนี้เลย ก็ระวังะนะเพราะงั้นการงานนี่แหละทั้งองค์ประกอบที่มันเป็นวัตถุเป็นลีลาอะไรอื่นก็ตามทั้งคนที่เราจะได้สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องมันจะกระแทกกิเลสตั้งแต่กามไปจนอัตตามาณนะนั่นแหละโดยเฉพาะอัตตามานะจะเห็นชัดขึ้นพระธรรมาอธิบายถึงเรื่อง ก, การปฏิบัติธรรมการงานเป็นการปฏิบัติธรรมที่เรา พากันปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ว่าเราทำการงา น, นี่คุณจะเข้าใจขึ้นเลยว่าอ๋อมันล้างอัตตามานะอย่างนี้เองต้องเรียนรู้อัตตามานะจริงๆนะนอนจะกระแทกมันจะกระทุง้งมันจะสัมผัสสัมพันธ์ทำให้หลอกกิเลสของเราออกมาได้ดีจริงๆยิ่งมีเพื่อนฝูงมีหมู่ฝูงมีคนรู้คนดีคนเก่งอะไรขึ้นมาประกอบมาผสมมารวมด้วยเนี่ยนะ แม้จะเป็นคนดีคนใหญ่คนที่รู้มากยังอาตมานี่ยนะเอาเอาง่ายๆยกตัวอย่างเนี่ยจะสร้างพระวิหารเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมาต้องการอย่างโ น, น, ง น, งน้นอย่างนี้อย่างโ้นอย่างนี้รู้อย่างง้นอย่างนี้อาตมาก็อยากรู้สู่รู้อะไรก็ได้เขายอมเพราะที่เขามานี่จะเขาจะเป็นวิศวกรรมเขาจะมาเป็นสถาปนิกเขาจะมาเป็นช่างเขาจะมาเป็นผู้รู้ในด้านนั้นด้านนี้อะไรมาประชุมกันถ้าเราจะเบ่งมากก็เบ่งได้ อวดรู้มากก็อวดได้เขายิ่งยกให้นะเราจะเอายังไงบางทีนี่เร า, เาหาเหตุหาผลนนท์นี่อาจจะเออย่างนี้ก็เอาได้แต่ถ้าเราพยายามศึกษาเรารู้อันไดควรแซงควรจะเสนอบ้างก็เสนออันนี้ดีไม่ดีเราควรเสนอให้เขาเอง แ, แสดงต่างคนต่างแสดงออกมาเต็มที่ถ้าเราไปเอาแต่แสดงก่อนแสดงก่อนเขามาเขาไม่เคยได้แสดงอะ มาแสดงอะไรก็ถูกลบล้างมาแสดงอะไรก็ถูกลบล้างมาแสดงอะไรอ้วกก็ใหญ่เขาก็เลยรู้สึกเอ๊เขามันเสนอแน่เลยท่านก็รู้หมดแล้วอยากก็ น, นั้นเลยก็ท่านก็รู้หมดแล้วเราก็ไม่ต้องมาอีกเขาก็ไม่มาช่วยเพราะเขาไม่มีคุณค่าอะไรเราก็ทําคนเดียวโดดเดียวโลนซ้ําแบกไว้คนเดียวดิหาไว้คนเดียวดิไม่มีใครมาช่วยคิดและไม่มีใครมาช่วยแบกด้วย ไม่มีใครมาช่วยหาไม่ใช่คนมาช่วยทำํำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเองให้เขาใหญ่บ้างให้เขาได้ออกแสดงความคิดเห็นบ้างหรือบางครั้งบางคราวก็อนุโลมเขาบ้างแม้ว่าเอออันนี้ให้เขาบ้างอนุโลมเขาบ้างแม้มันจะไม่ดีที่สุดจําเป็นละตอนนี้เอาปล่อยเขาบ้างไม่เช่นั้นไม่มีน้ําใจกันเลยไม่ได้หรือถ้าเราฉลาดเราบอกเอออันนี้ไม่ค่อยดีเราอย่างนี้ดีกว่ามาั้งมีศิลปวิทยาดีนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่เอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็บอกว่า เอ๊อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรืออาตมาว่าคนมันจะสมานกันดีกว่านะถ้าบอกไม่เอาเอ า, อางี้อย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่สมานเท่าไอ้อย่างนี้อาตมาว่าพยาพังมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะทํากรรมกริยาการยังไงวัชชียังไงที่จะทํางานร่วมกันมันก็จะทําให้เราสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยสุขคุมประณีดนะไม่วากเพลยไม่เบ่งไม่ใหญ่ไม่มีอัตามานนะ แม้เอาแต่ใจตัวแม้เราจะคิดถูกกับฟังเขาบ้างฟังแล้วมาวิเคราะห์ไม่ใช่เห็นแก่ตัวลาเอียงว่ากูนี่แหละถูกกูนี่แหละเป็นใหญ่กูนี่แหละชนะไม่ใช่คิดจริงๆสังเคราะห์จริงๆวิเคราะห์จริงๆทํามาวิจัยจริงๆมันจะเกิดคุณค่าประโยชน์ยิ่งทํางานใหญ่ยิ่งทํางานมากยิ่งทํางานเยอะโอ้ยิ่งใดลดอัตตามานะดีคุณยิ่งเก่งยิ่งสูงยิ่งรู้มากยิ่งต้องลดอัตตามานะดีเขาก็ยิ่งจะยกให้ เราก็ยิ่งต้องสังวรตนเขายิ่งยกให้เรายิ่งจะไม่เอามนุถ้าผู้ใดเข้าใจดีผู้นั้นก็จะสังวรอาตมาว่าอาตมาเข้าใจดีอามาอธิบายให้คุณฟังซึ่งอาตมาก็ายังอธิบายไม่เก่งนะนพะยายามไปอธิบายเสริมกันไปเรื่อยๆอาตมาจะต้องศึกษาสังวรตามที่พระุเจ้าท่านพาเป็นนั่นแหละพวกเราถ้าเข้าใจก็ขอให้พวกเราสังวรระวังแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีมิตรมีสหายมีกําลังมีผู้ช่วย ไม่ใช่เอาแต่เบ่งแต่ใหญ่มาถึงก็ตัดเบ่งเอาแต่ใหนะฉันจะกลางข้อกลางขาแขนกลางขาฉันจะใหญ่จะเบ่งจะทําช่วยกันคิดช่วยกัน ต, ตัดสินช่วยกันวิเคราะห์วิจัยแล้วเอาอยังงี้ยังยงี้มันก็จะประสานกันมันก็จะรวมกันอ่ละหมดเวลาลงก็สาธยายมาต่างๆนา น, นาเขาคิดว่าจะได้คุณได้ค่าได้ประโยชน์พอสมควรแก่เวลาอเอาไมั้ง